วัดนี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวถึงหลักปฏิบัติที่ทรงกำหนดไว้ในอายตนาปภ ะ, ะโดยผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะสังเกตดูจิตใจของตนในแต่ละขณะที่กระทบกับอารมณ์ภายนอก โดยการได้รูปฟังเสียงดมกลิ่นดิ้มรส ถ, ถูกต้องย็นร้อนอ่อนแข็งหรือแม้แต่ใจเหนียวนึกตรึกนใ does, ึกถึงอารมณ์เหล่านั้นที่เป็นอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างโดยดูยเ attack, ห็นว่าในขณะนั้นนั้นมีสิ่งที่เรียกว่าสังโยชน์คือกิเลส ท, ที่ผูกใจสัตว์ เป็นลักษณะของกิเลส ท, ที่ซึมบกอยู่ภายในในเวลากระทบอารมณ์แล้วกิเลสต่วนี้ฟุ่งขึ้นหรือไม่ถ้าพุ่งขึ้นก็ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงจะพยายามใช้ปัญญาพิจารณามองเห็นโทษแล้วก็พ ย, พยายามลดละบรรเทาถึงแม้จะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นมีน้อยหน่อย หรือว่าดับไปในเวลาที่รวดเร็วหน่อยเป็นคำสอนที่เพียรพยายามปฏิบัติไปเรืเร่อยๆจนถึงจุดหนึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นแต่การไม่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลจากการประพฤติปฏิบัติที่ท่านเรียวกว่าบรรลุมรรคผลไปแล้ว หมาความว่เราตัดเชื้อภายในใจได้ขาดแล้วแต่สาบใดที่ยังมีเชื้อภายในใจอยู่กิเลย่อมจะเกิดขึ้นเรียแต่จะมากหรือน้อยเท่านั้นเองเพราะนันสังเกตว่าภายในใจเราก็มีเชื้อของอกุศลที่ท่านเรียกว่าอาธรรมธาตุคือเชื้อของพวกอาธรรมทั้งหลาย กิเลสทั้งหลายบางครั้งเราก็เรียกย่อยออกไปเป็นพยาบาทธาตุโ ท, ทธาตุโมหาธาตุหมายความว่าแต่ละอย่างนั้นก็เป็นเชื้ออยู่ภายในใจเราอารมณ์ตามปกติแล้วไม่ใช่ว่าเป็นที่ตั้งของกิเลสเสมอไปกรณีท่านสาชนทั้งหลายก็มีประสบการณ์ตรงในชีวิตประจำวัน สิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสของเรานั้นบางอย่างเราก็เฉยเแลเราได้คิดเป็นเปอร์เซนต์ในส่วนใหญ่จะเฉยๆบางอย่างก็เกิดความพอใจยินดีชื่นชมโสมนัสบางอย่างก็เกิดอาการหงุดหงิดรำคาญเราแสดงว่าตัวรมเหล่านั้น ที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นไปในจิตใจของเราได้ในรูปของกลางๆในรูปของยินดีรูปเป็นยินรายเนี่ยมันก็อยู่ที่เชื้อภายในใจของเราที่เก็บความรู้สึกต่ออารมณ์เหล่าดันไปพอเรามีความรู้สึกต่ออารมณ์เ่านั้นที่เก็บไว้อย่างไรที่เราเรียกว่าสัญญาเพราะเมื่อเรามองไปถึงจุดหนึ่งก็จะเห็นว่า สิ่งที่ท่านเรียกว่าสังขารคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงแต่งกายวาจาใจของเรานั้นหมายความถ้าขาดสิ่งเหล่านี้แล้วสิ่งเราอาการทางกายวาจาใจก็เดินไปไม่ได้ท่านบอกว่าลมหายใจเข้าออกนั้นเป็นกายสังขารคือเป็นตัวปลนปรื้วร่างกายของเราให้ดำรงคงอยู่ก็เราไม่จะขาดอะไรไปบ้างแต่ถ้าหากว่าไม่ขาดลมหายใจก็ยังอยู่ได้ แต่แม้อย่างอื่นสมบูรณ์หมดขาดลมหายใจอย่างเดียวร่างกายก็อยู่ไม่ได้ก็แสดงว่าร่างกายนี้อาศัยลมหายใจเป็นตัวปรนปรือเป็นตัวรักษาที่ท่านเรียกว่าสังขารคือกรุงแต่งวาจาของเราก่อนจะพูดเรื่องอะไรออกไปถูกหรือผิดพูดได้ดีหรือพูดไม่ได้ดีแล้วก็อยู่ที่วิตกวิจารคือความตรึกเดือดเดือง สิ่งที่เรานำมาตึกนึกเดี่ยวนึกนั้นก็คือสิ่งที่เราเก็บไว้ภายในใจแต่เราเก็บอะไรไปได้มากๆเราก็นำมาเรียบเรียงมาร้อยกรองขึ้นได้มากเช่นภาษาความหมายคำคำเดียวเช่นคำ ว, ว่าตายคาเดียวแต่เรามีชื่อเรียกได้เยอะเพราะฉะนั้นเวลานำภาษามาเรียบเรียงข้าวคามันก็ไม่ซ้ามีความสลละสลวยไพเราะ แต่ถ้าอะไรก็ใช้คำว่าตายอยู่ตลอดบางแล้วมันก็ไม่ไผเราะบางครั้งก็ไม่เหมาะสมแก่ฐานานรูปของบุคคลแต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดคือเหนียวนึกตรึกนึกขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องอาศัยการทรงจำไว้ต้องมีประสบการณ์ต่างๆในอดีตอยู่เป็นอันมาก จึงเกิดการวิตกการตึกนึกได้แล้วก็สิ่งที่ตึกนึกนั้นก็จะมีทั้งดีทั้งไม่ดีดังนั้นทำให้วาจาเราที่พูดมามีดีบ้างไม่ดีบ้างและแม้แต่กลางกลางบ้างก็แสดงวมีความสืบเนื่องมาจากการดินรูปด้วยตาเป็นต้นมาเป็นกระบวนการทางจิตที่เริ่มมาจากการรับอารมณ์ซึ่งมากระทบทางประสาทสัมผัส เรามีความจําสิ่งเหล่านั้นไว้แต่เราไม่จําในลักษณะใดลักษณะหนึ่งจําไปทั้งหมดจําคุณจําโทษจําดีจําไม่ดีจําประโยชน์จาไม่ใช่ประโยชน์ของสิ่งเหล่านั้นไว้บังการตรึกนึกที่เรียกวิโตกวิจารณ์แม้ว่าออกมาตามที่เราจําไว้พิโตกวิจารณ์จึงเป็นอาการของจิตอีกประการหนึ่ง การจะคิดได้มากหรือน้อยก็อยู่กับประจําไว้ได้มากหรือน้อยคนบางคนนั้นอาจจะถูกมองในแง่ร้ายแต่เราจําคุณธรรมความดีของท่านเราหน่ท่านท่านเอาไว้เราไม่เคยรู้เรื่องความไม่ดีของท่านเวลาพูดถึงเราก็พูดถึงในด้านที่ดีเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้จําความไม่ดีของท่านไว้ตัวสัญญาคือความทรงจำกเวทนาคือการสวยอารมณ์ หมายความเป็นการจําเป็นการซวยอารมณ์ในอดีตแต่ว่าเก็บไว้ภายในใจเช่นสมมติว่าเราจำรํำนายกเอาไว้ว่านายกนั้นเป็นคนดีมีเมตตากรุณาเคยช่วยเหลือเกื้อกู ล, ลเราเป็นนั้นมากเราสํานึกคุณก่อนนายกในตรง น, นี้มันต้องมีทั้งตัวความจําและตัวความรู้สึกต่นกอนายกที่เ ร, เรียกว่าเน์นามจริงเราแ้วคงเก็บอยู่ภายในใจ บางโอกาสมีตัวอะไรมากระตุน้นจนเห็นรูปนายกอได้ยินข่าวนายกอมีคนพูดถึงนายกอหรือใจเราไปเดี่ยวนึกถึงนึกถึงนายกอเราจะนึกถึงในแง่ดีแต่การนึกนั้นท่านสาชนต่งางๆเห็นว่ามันเป็นทั้งระบบหรือเป็นทั้งกระบวนการในขณะนั้นเราก็มีกายสังขารคือมีลมหายใจ แล้วก็มีความตึกนึกความเดียวนึกที่เรียกว่าจิตวัตจีตสังขารแล้สิ่งที่นำมาเนียวนึกตึกนึกก็คือสิ่งที่เราจําไว้ทั้งในรูปลักษณ์ของสิ่งเ่านั้นและคุณโทษของสิ่งเ่าดันเพราะเราจึงเียวนึกตึกนึกไปในทางที่ดีเพราะเราจำในกอไว้ในภาพลักษณ์ที่ดีแต่ตรงนี้มันก็กลายเป็นจิตสังขารคือสิ่งที่ปรุงรนปลื้จิต แต่บางครั้งบางเรื่องที่เราเก็บสะสมไว้ไม่ดีมันก็เก็บไว้ไม่ดีทั้งหมดหมายความว่าเก็บทั้งรูปลักษณ์และเก็บทั้งคุณภาพคุณค่าโทษของสิ่งเหล่า น, นั้นเอาไว้และเป็นสิ่งที่เราสัมผัสแล้วคือเราได้รับความทุกข์ความสุขเพราะสิ่งเพราะคนเพราะสัตว์เหล่า น, นั้นมาดนะในกรณีที่ไม่ดีเราก็เหนื่นึกตึกนึกไปในทางที่ไม่ดี จิตใจเราก็จะขุดมัวเศรมองเพราะอาการเหล่านี้มันก็มีอยู่ในสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผลิภัณฑ์เป็นอารมณ์ที่เข้ามากระทบประสาทสัมผัสหรืออายตนาภายในในการตอบมากระบวนการทางจิตทั้งสามช่วงมายความาทั้งส่วนที่ปนปลือกายปนปรือวาจาปนปรือ จ, จิตมันก็ทํางานของเขาที่เป็นปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน แต่การสอนในมองในแนวนี้จะเรียกว่าสอนในแนวปารานะหมายความว่าสอนในแนวของการละกิเลสเช่เดียวกันสอนเรื่องนิวรณ์การสอนเรื่องศีหะพึงสังเกตว่าเรื่องนี้ที่จริงเป็นเรื่องของการละนั่นหมายความงดเว้นไม่กระทําอะไรไปตามอำนาจของกิเลสที่บังเกิดขึ้น เพียงแต่ ว, ว่าการพูดระดับศีลเป็นการพูดถึงการกระทําที่หยาบหยาบออกมารุนแรงเป็นความผิดที่ปรากฏแก่สายตาของบุคคลอื่นโดยการได้เห็นบ้างโดยการได้ยินบ้างโดยการได้ฟังบ้างแล้วก็วินิจฉัยตัดสินได้ว่านั่นเป็นความผิดนั่นเป็นความทุกข์เพราะคำสอนในเรื่องศีลที่จริงมันก็เหมือนกับการสอนเรื่องอาชตนา เพียงแต่ว่าเป็นคําสอนระดับยากกว่าส่วนการสอนในจุดนี้เป็นการให้มองดูที่จิตของเรามองที่ตัวความรู้สึกมายความมองตัวจิตสังขารว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาเวลาเห็นรูปเป็นต้นในนี้ข้องการเกิดความรู้สึกที่เป็นกลางๆ ก, ก็ทรงสอนไว้โดยผนกหนึ่ง ในเรื่องของขันธปภ ะ, ะคือหมวดที่ว่าด้วยขันธหมายความหมวดที่ว่าด้วยขันธ์ที่จริงมันก็คือสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งแต่เรามองในแง่ของเป็นสภาวธรรมซึ่งเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเห็นสิ่งเหล่านั้นบังเกิดขึ้นมองในแง่ของสภาวธรรมก็คือมองว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริง แต่โดยสถานะแล้วเขาก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเป็นการควบคุมจิตไม่ฟูไม่แฟบไม่ขึ้นขึ้นลงลงไปตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเดียดนั้นเกิดก็รู้ว่าเกิดตั้งอยู่ก็รู้ว่าตั้งอยู่ดับก็รู้ว่าดับเป็นลักษณะของความรู้เท่าทันตามความเป็นจริงทุกๆจังหวะของสิ่งเหล่านั้น ก็เหมือนการขับยานพาหนะไปในที่ต่างๆถ้ามีความรู้เห็นตามความเป็นจริงที่ควบคุมอยู่ได้ทุกขณะการนําพยานพาหนะเหล่านั้นไปก็จะปลอดภัยปลอดอันตรายและถึงจุดหมายปลายทางได้ในที่สุดธรรมะปฏิบัติในแนวนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นเป็นการสอนในรู้เห็นตามความเป็นจริงที่ปรากฏในขณะนั้น ในส่วนของยานตนาปรภะนั้นทรงสอนในด้านที่ว่ากิเลสมันผูกขึ้นหมายความว่าตามปกติกิเลสมันก็สงบอยู่ภายในซึ่งเราก็เห็นสภาพจิตของเราได้ว่าเราไม่ได้โกรธตลอดยีบสี่ชั่วโมงไม่โลภตลอดยี่บสี่ชั่วโมงไม่ริษยาอาฆาตตลอดยีบสี่ชั่วโมงแต่มันจะเกิดขึ้นด้วยแรงกระตุน้นมาจากข้างนอกปากมาจากข้างในาบ้างมันก็มาจากสองสาย หรือบางทีก็ผสมผสานกันเช่นอะไรเช่นบางอย่างเราเห็นได้ชัดมันผสมผสานสมมุติว่าคนเ็าส่งเสียงดังเรารู้สึกไม่ชอบก็แสดงว่าเสียงเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นโทสะถามมาเกี่ยวกับคนไม่ที่จริงมาเกี่ยวกับคน หมายความว่าเราต้องรู้สึกไม่ชอบคนนั้นอยู่ได้จึงไม่ชอบเสียงของเขาเพราะการส่งเสียงดังบางทีเรารู้สึกเบิกบานเช่นเสียงดังของคนที่เราชอบเรารักเราสนใจที่จะดูเช่นการแส ด, ง, ดงต่างๆาก็เสียงอุปทึกหรืโครมเราก็ดูได้สนุกสนานเพลิดเพลิน เสียงคนที่เรารักเช่นลูกหลานกำลังสนุกสนานเล่นเพลิดเพลินกันทุกทีกันหรือกระตุ้นกระโจเราก็รู้สึกเพลิดเพลินรู้สึกสบายใจที่เห็นลูกหลานเรื่องเริงบันเทิงใจแต่เสียงเหล่านั้นเองถ้าหากว่าเป็นเสียงของคนที่เราไม่ชอบแม้จะเบากว่าแม้จะน้อยกว่าแต่โทรศัพ์มันก็เกิดแล้วก็แสดงว่ามีความต่อเนื่อง แล้วถ้าถามมาทําไมคนนั้นเราจึงไม่ชอบก็แสดงว่าเราจําความไม่ดีของเขาไว้เคยประสบความเสียใจความไม่สบายใจเพราะการกระทำของเขามาแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ถูกจําไว้ภายในใจที่เรียกสัญญาเวทนาดังกล่าวเพราะพอใจไปเดี๋ยวนึกจึกนึกซึ่งเป็นรูปของวจีสังขารในการปรุงแต่งวญญาจามันก็จึกนึกเฉพาะในด้านไม่ดีเวลาพูดถึงกล่าวถึงคนเหล่านั้นรู้พูดกับคนเหล่านั้น ก็จะพูดไปในทางที่ไปดีเราจะเห็นกระบวนการที่ต่อเนื่องมันไม่มีอะไรที่จริงก็เป็นเรื่องของกิเลสกิเลสในอนดีตส่วนน่ะถูกจําไว้ถูกเก็บไว้ภายในใจพอ ม, ม, มีตัวกระตุ้นมามันก็เกิดเป็นโทสะทีนโทสะเหล่านี้อาจจะลดก็ได้อาจจะเพิ่มก็ได้มันก็อยู่ที่ตัวคนนั้นว่าจะมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างไร ถ้ากระส่งเสียงดังเราบอกกล่าวให้สงบเสียงแกสงบแล้วขอโทษโทวสะมันก็ลดมันก็อาจจะกลายเป็นรู้สึกอภัยลึกๆหรือว่าไม่ตาไปเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดเสียงในกระส่งเสียงดังก็แสดงว่ามันคนถูกตุ้นโทวสะก็ถูกกระตุ้นเพิ่มขึ้นคล้ายๆกับไฟมันลุกขึ้นมาแล้วเราเชื้อไปใส่ข้าวมันก็เกิดการลุกไหม้ขึ้น นี้ตรงตรงนี้ที่จริงไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาเสมอไปมันก็อยู่ที่ใจเราว่าจะคิดยังไงถ้าเรามีสติสัมปชัญญะระลึกรู้ทันคนนี้ปุจจาไม่รู้เรื่องเป็นคนพ่านเป็นคนไม่มีเหตุมีผลก็ไม่ใส่ใจไม่สดใจปล่อยเข้าไปอยากจะทําอะไรก็ปล่อยไปหรือคิดแน่ไม่ถือคนบ้าไม่ว่าคนมา ไม่เอาเรื่องกับคนที่จิตใจมันผิดปกติกระแสของโทสะก็ลดลงไปที่ลดนั้นเพราะอะไรเพราะว่าใจมันมียนนอยู่ในโสปนศสิการคือการกรทำไว้ในใจด้วยบานแยบคายมองเห็นว่าธรรมะปฏิบัติจริงๆในหลักของพระพุทธศาสานานั้นเป็นไปตามกระบวนการของกรรม หมายความว่าสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบจริงๆนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทําของเราที่ะเจ้าทรงสแสดงว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนั้นหมายความกรรมนั้นเราต้องทําเองเราก็เป็นไปตามกรรมนั้นเองกรรมที่คนอื่นกระทาเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเดือดร้อนไม่มีสถานะไม่มีหน้าที่ อ, อะไรที่จะต้องไปเดือดร้อนกับการกระทําไม่ดีของบุคคลอื่น สติสัมปชัญญะมันก็เกิดขึ้นควบคุมใจแนวคิดตรงนี้เราจะพบว่ามีอยู่เป็นอันมากที่จะหยุดไม่ให้กิเลสมันเพิ่มขึ้นภายในใจได้เช่นข้อความง่ายๆตัควคมง่ายๆช่างก็เถอะช่างก็เถอะเป็นคำสั้นๆแต่ลักษณะของการตัดกระแสอารมณ์ ่เอาความเลวร้ายของบุคคลอื่นมาปรุงคิดมาคิดปรุงใจเราก็สงกเพราะอาศัยคํว่าช่างก็ถึงบางทีก็มองไม่เป็นไรหรอกอาการเราไม่เป็นไรหรอกนั้นหมายความว่าเราไม่รับช่างเขานั้นเป็นปล่อยเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าไม่เป็นไรเป็นเรื่องที่เราไม่รับเขาก็ทำเขาไปเขาก็เดือดร้อนด้วยกรรมเขาเอง เราไม่จำเป็นจะต้องขอโดยสารเดือดร้อนตามก็ไปได้มาทีอาจจะคิดลึกซึ้งกว่า น, นั้นใครใครเข้าข้อบคนนั้นกรรมใดใครก่อคนนั้นก็รับกรรมไปไม่ควรจะไปถือสาความกับคนประเภทเหล่านั้นเป็นต้นก็แล้วแต่แต่หมายความว่าเป็นเรื่องของความคิดไม่ใช่ไปด่าเขา อาศัยการปรุงคิดคิดปรุงแล้วก็ใช้ประสบการณ์จากสัญญาจากเวทนาที่เราเคยประทบมาแล้วเป็นบทเรียนเราไม่สามารถจะเปหยุดคนอื่นเขาได้แต่เราก็หยุดที่ใจเราได้ทีนี้สมมติเราเขาเกิดแล้วเกิดแล้วก็ส่งสอนในแนวให้มองเห็นโทษดูมันในขนาดนั้น เช่นสมมุติว่าเกิดปฏิกเกิดกามราคะเห็นมีความกับหนักรักใคร่พอใจมุ่งมา่ปรารถนาจะได้จะมีจะเป็นจะเพลิดเพลินสนุกสนานกับวัตถุกรรมเหล่านั้นเราจะเห็นว่าจิตใจเราขาดความสุกใจมันเต้นมันร่าร้อนมันฟุง้งมันสายมันสูญเสียการท่งตัว อย่างภาพที่พระเจ้าทรงสอนว่นลนาลักษณะของใจที่ขาดการควบคุมปล่อยให้หมกมุ่นบุ่นวายอยู่กับรูป ก, กับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสที่ใจประกำหนดว่าหน้าใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจทรงสอนให้เห็นเป็นภาพเราเห็นเป็นภาพแล่ภาพชัดมากเพราะถ้าเราเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้น ภาพจะหนึ่งเป็นภาพของน้ำบุ่นที่ขนมาตกลงไปเราจะเห็นการสูญเสียการทรงตัวของคนในวังในวังน้ำบุ่นโอกาสที่จะถอนตัวขึ้นมาจากวันน้วังน้ำปุ่นนั้นยากและโอกาสที่จะตายนั้นใกล้มากนั่นคือภาพที่เป็นรูปธรรมของการลหลงไหลคลั่งคลายกำหนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีอยู่ในอารมณ์ทั้งล บางทีก็เล่าไปรูปของนิทานเห็นว่านกกระจอกไปติดอยู่ในดอกบัวกำนัดเพลิดเพลิน พ, พอใจในรสหวานของในในเกสรดอกบัวจน ด, ด, ดอกบัวขนาดใหญ่ดอกบัวขบยังไม่รู้สึกตัวแล้วก็ต้องติดอยู่ที่นั่นลูกกับพัญญาคอยอยู่ที่รังเห็นไม่มาก็เป็นทุกข์เดือดรอด้อน แต่พอกลับมาปรากฏพระพันยาไปคิดวระถามีไปเกี่ยวข้องกับนกอื่นมันเกิดปัญหาในครอบครัววุ่นไวายไปหมดนี่แสดงเห็นว่าจุดปัญหาก็คือการปล่อยใจให้เพลิดเพลินอยู่ในเกสรรอกบัวนั่นเองแต่ปัญหาที่ติดตามมานั้นมากเกิดมากจนขนาดว่าประกาศไม่ขอพบกันทุกทุกชาติ เดินการรุนแรงหรือบางทีทรงอุปมาให้เขียนเล่าเป็นเรื่องมีสุนัขจิ่งเจาะไปเจอซากช้างตายก็ติดใจพอใจในรสชาติเนื้อของสัตว์เนื้อของชา้างก็กินไปเรื่อยๆข้าไปทางถาวร น, นะกินเข้าไปเรื่อยๆจนในที่สุดตัวหลุดเข้าไปอยู่ในท้องช้าง ฝนตกลงมาทวารหนักช้างปิดนกกระจอก ก, อจอก็ติดอยู่ในสุนัขจิ้งจอกก็ติดอยู่ในนั้นดิ้นรนกว่าจะออกมาเกือบตายนั่นเป็นภาพที่เป็นรูปธรรมเราเห็นว่าทั้งหมดทางนั้นทางนี้มันก็อยู่ชี้ใจไปกำหนัดเพลิดเพลินในเนื้อช้างกำหนัดเพลิดเพลินอยู่ในดอกปัว ตกลงไปในหวังของน้ําปนภาพทุกๆภาพเป็นภาพของการสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองแต่ถูกสิ่งเหล่านั้นผลักใสเสือกใส่สงชายคำว่าผลักใส่เสือกใส่คนเราถูกผลักใส่คนเราถุกเสือกใส่ภาพนั้นมันเป็นรูปธรรมการทรงตัวก็ไม่ดีบางทีก็หกลม้มหกลุก เขไม่สามารถต้านทานแรงผลักไสเสือกไได้เมื่อมองเห็นโทษอย่างนี้ก็เพียงพยายามที่จะบรรเทาลดละมองเห็นโทษในขณะนั้นบางอย่างเนี่ส่งแสดงในรูปที่เป็นกระบวนการของการคิดให้เพ่งพินิดดูมันทันชัดชัดาสิ่งนี้เคยเกิดไหมสิ่งนี้เคยเกิดไหมสิ่งนี้เคยเกิดไหม เรเห็นว่าสภาพจิต ท, ที่ปกติจะไม่มีอาการของกิเลสอาการของกิเลสนั้นเกิดขึ้นเมื่อจิตถูกปรุงด้วยกิเลสลสักษณะก้าวร้าวรุนแรงแลักษณะปล่อยกายปล่อยใจให้อ่อนไหวไปตามน้าทของอารมณ์ลักษณะดิ้นพลั้นสัส่ใสมันแสดงอาการของจิต ท, ที่ผิดปกติ ก็คล้ายๆกับ น, น้ําธรรมดาโดยเชื่อว่าน้ําจะมากหรือน้อยก็าตามถ้าแกอยู่ตามสภาพปกติของแกแ ก, แกจะไม่กระชอกแกจะไม่เป็นคลื่นแกจะไม่ขุูดมัวแต่การที่น้ํากระชอกน้ําเป็นคลื่นน้ําหมุนวนมันเป็นเรื่องของสิ่งอื่นหรือข้ามาทําให้เกิดอาการอย่างนั้นพรสิ่งเหล่านั้นจากไฟน้ําก็คืนสภาพเดิมได้ ที่แจ้งนเราก็มีลักษณะเช่นเดือ ก, กันการที่จิตเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะ ร, ร้อนรรุนแรงกระวนกระวายกระสับกระส่ายจะแนวมากหรือน้อยก็ตามจนถึงออกมาเป็นกายกรรมวิจกรรมมันก็แล้วแต่เป็นเรื่องของของกิเลสที่สืบเนื่องกันมาทั้งหมดหมายความว่าเกิดจากการกำหนดอารมณ์ในแนวที่ไม่ดี แล้วนำสิงเหล่านั้นมาตรึกนึกตึกนึกจากอะไรจรึกนึกจากที่ตัวจำจากที่ตัวเคยประสบมาแล้วก็ตรึกนึกในแนวนั้นก็หมายความว่าถ้าตรึกนึกในแนวอื่นก็ได้แต่พอดีเราเกิดตรึกนึกในแนวนั้นเท่านั้นเพราะอะไรเพราะลักษณะของอารมณ์ทั้งหลายนั้นมันเป็นกลาง รูปมันก็เป็นกลางกลางเสียงก็เป็นกลางกลางกิ่งก็เป็นกลางกลางรสก็เป็นกลางกลางสัมผัสก็เป็นกลางกลางย็นรอดนันแข็งก็เป็นกลางกลางแม้แต่สิ่งที่เราเหนียวนึกตึกนึกเองตัวบันเองเนี่ยมันก็เป็นกลางๆงแต่ว่าที่จริงมันก็ปนปนเพราะสิ่งที่ปนเข้ามานั้นเองทำให้ไม่เป็นกลางกลางแต่บางครั้งที่ทรงสให้มองว่ารูปก็สักแต่ว่ารูป เสียงก็สักแต่ว่าเสียงกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นรสก็สักแต่ว่ารสเย็นร้อนอ่อแข็งก็สักแต่ว่าเย็นร้อนอ่อแข็งอารมณ์ก็สักแต่ว่าอารมณ์ถ้าอย่างนี้จิตจะไม่ปรุงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไม่ปรุงด้วยอํานาจของกิเลสแต่เพืสังเกตว่าการสอนในมองในแนวนี้มองในกรณีที่จะเกิดกิเลสไม่ใช่มองในกรณีที่จะเกิดธรรมะ เพราะไรปฐมะก็อาศัยรูปอาศัยเสียงอาศัยกลิ่นอาศัยรสอาศัยเย็นน้อนนอนแข็งเป็นเครื่องมือในการศึกษาในการวิเคราะห์สรวจสอบอารมณ์กรรมาฐานที่เราศึกษากันส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องของรูปเจินกายานุปัสสนาสติปัฏฐานศึกษาเรื่องลมหายใจเข้าออกก็ดีเรียบทยืนเดินนั่งนอนก็ดีิรียบ ท, ท้องพวงก็ดี หรืศึกษาถึงผมคนเลือดฟันหนังเป็นต้นตลอดถึงแยกกายเป็นธาตุแล้วก็มองคนที่ตายไปแล้วซึ่เป็นซากศพปรากฏในภาพลักษณ์ต่างๆถึงเก้าลักษณะทีจริงมันก็เป็นรูปแต่ก็ทรงสอนให้เพ่งพินิษตทรงสอนให้มองใครครวญพินิษตพิจารณาหรือแม้แต่การมองร่างกายของเราว่าต้องแก่ต้องเก็บต้องตายต้องพลดพลาดต้องสูญเสียมันก็เป็นเจนั้นร่างกายเราผมก็เป็นรูป แต่เราก็มองในแง่ที่จะให้รู้เท่าทันตามความเป็นจริงซึ่งก็ต้องมองต้องดูต้องคิดต้องเพ่งพินิษเพราะนั้นคำว่าฌานท่านจึงแปลว่าเพ่งหมายความเป็เพ่งพินิษทั้งด้วยตาแล้วก็ด้วยใจทั้งด้วยหูแล้วก็ได้ใจหมายความหูฟังด้วยใจเพ่งพินิษ ด, ด้วยตาดูด้วยใจเพ่งพินิษ ด, ด้วยบางอย่างใจก็เพ่งพินิษ์อย่างเดียว เป็นการดูจิตเวลากระทบอารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กระตุ้นเตือนให้เกิดกิดเลสเพ่งดูเห็นว่ามันเป็นโทษแล้วก็พยายามสืบสาวไปว่าสิ่งเหล่านี้ขณะก่อนนี้ไม่เกิดแต่ขณะนี้มันเกิดมันเกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรเป็นการศึกษาในลักษณะสืบสาวไปถึงที่มาที่แท้จริง แล้วก็เพียนพยายามที่จะตัดรากง่าของสิ่งดนั้นแต่นั่นแหละการสืบสาวในระดับนั้นเป็นเรื่องที่ยากเพราะอะไรเพราะมันปะปนุอยู่ภายในจิตเราตัวสังโยชน์ตัวแรกที่ทรงแสดงไว้เรียกว่าสักกายะสักกายทิฐิคือความเห็นเป็นตัวเป็นต น, ตนมีตัวมีตน ซึ่งก็เป็นธรมธรมชาติธรรมดามนุษย์เรานั้นเป็นศักดิ์ที่ยิ่งโตรงในศักดิ์ศรีถือเรื่องศักดิ์ศรีมากธรรมศักดิ์ศรีมันมาจากอะไรมาจากอัตตาเรารู้สึกว่าเราเป็นเรารู้สึกว่าเป็นเราเป็นตัวตนของเราแล้วก็เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราถึงเป็นของเราอย่างนั้นอย่างนี้มันก็กอให้เกิดอัตตาเกินมา อัตามันมีอยู่เดิมแล้วแล้วก็ เ, เพิ่มเชื้อมาเรื่อยๆถูกกําหนดถูกบัญญัติถูกเรียกขานเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นแเราก็กลายเป็นตัวอุปาทานคือไปยึดติดในความเป็นเหล่านั้นบางครั้งบางคนอื่นทุกคนงยอมรับความเป็นของตัวเองใครไม่ยอมรับเราก็เกิดโทสะใครยอมรับเราก็เกิดโลภะแต่นั้นที่จริงก็คือเป็นอาการของโมฆะ าการสืบสาวจึงบางครั้งก็ต้องสาวไปลึกๆจริงๆเพราะเอาไปจริงพวกนี้มันก็มาจากอาวิชชาเด่กก็มุ่งไปสู่การทำลายวิชาโดยการพยายามเพิ่มพูนคุณธรรมหลักคือสติสััญญะความเพียรในการดำารงชีวิตเพื่อจิตมีพลังในการรู้รู้เห็นตามความเป็นจริงซึ่งอารมณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะสามารถตระบันเทาความรู้สึกรุนแรงด้วย สัง่งด้วยอำนาจของสั่งโยน์้อต่างๆลงไปได้ตามสมควรต่เทนี้ไปขอให้ตั้งใจตทำความสงบสุขต่อไป